อ๋อมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อสักครู่พอดีนักศึกษาถามว่าแล้วถ้าพ่อแม่สมองฝ่อจะทำอย่างไรและถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมพ่อแม่จะลาคาญไหมและทำอย่างไรเจ้าคะ่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะ ถ้าพ่อแม่สมองฟอจะทำยังไงข้อมูลยังคงเข้าไม่ได้เพราะสมองฟอแล้วนะคะแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมเลยจะทำยังไงท่านจะรู้สึกลำคามไหมเจ้าค่ะยืมเล่นถามยาก <laughs> อ, อส่วนใหญ่เราที่เราเรียนกันคือสภาวะธรรมเนาะี่เรียนอภิธรรมเนี่ย เราเรียนสภาวธรรมเรียงปรมัตถธรรมป ร, ปรมัตถธรรมเราก็เรียนทั้งกายวิญญาติวจีวิญญัติด้วยดังนั้นถ้าเกิดสมองฝ่อแล้วเนี่ยพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราใช้วิธีการให้ประนมมือให้ประนมมือใช้กายกรรมช่วยใช้กายกรรมให้ประนมมือ แล้วก็มีภาพก็ได้ภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำให้ดูมีการเอาน้ำถวายมีการเอาของสักการะบูชาให้ท่านเห็ น, นก็ให้ให้ท่านดูนะให้ท่านดูการกระทําของเราท่านน้อมนึกได้เนี่ยอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมัทคุณธลีเนี่ยพ่อเป็นมหาเศรษฐีนะ แต่ไม่มีโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือเลยไม่ให้ลูกเรียนหนังสือนะมัทกุลจรีโชคดีมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้ า, าก็น้อมใจากายก ว, วาจาไม่ไหวแล้วแต่น้อมใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ า, าลมหายใจหมดไปบังเกิดเป็นเทพบระบุเพราะความเลื่อมใสนั้นมาเนี่ยแค่มีใจเลื่อมใสเท่านั้นเลยโยมแค่นี้ก็ปิดอบายได้ คือทำยังไงก็ได้ให้ให้ท่านได้มีจิตน้อมน้อมใจที่จะเลื่อมใสขออนุญาตถามเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะสมมุติว่าบุพการีของเราเนี่ยท่านไม่รู้จักพระพุทธเจ้านับถือแต่ขออภัยนะคะรูปปั้นบางประการบางชนิดอย่างนี้ค่ะเวลาที่ท่านจะทำกุศลท่านก็จะคิดว่า เอาไปของไปวางไว้แล้วเหลือก็ได้กลับมากินอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะช่วยท่านยังไงในวาระอย่างนั้นคะเพราะว่าเขาก็ศรัทธาในในรูปปั้นสัญลักษณ์ที่เขานับถือตอนนี้เราจะทำศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นปรากฏกับท่านเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงไหมได้บูชาได้เคารพพระพุทธเจ้าบ้าง แม้แต่จะไม่มีข้อมูลก็ตามหรือไม่เคยศรัทธาก็ตามเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลในตอนนั้นแหละค่กราบนิมนต์<อ>พระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้สรุปตรงนี้นิดนึงนะเพิ่มเติมนิดเอประเด็นสองประเด็นก็คือประเด็นสมองฟอร์กับสมกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยสมองฟอนี้เป็นเป็นโรคที่ ถ้าปอจนมากแล้วจะจาอะไรไม่ได้จริงๆเน่เพราะสมองพอเริ่มปอลงปอลงนะเขาก็จะจาชื่อตัวเองไม่ได้เนี่ยตรงนี้เมื่อจาชื่อตัวเองไม่ได้เนี่ยการการที่จะสอนทางสื่อต่างๆก็จะเริ่มปิดโอกาสถามว่าสภาพที่สมอง่อเนี่ยเป็นด้วยอำนาจของอกุโสและกล ร, รมเนะย อากุศลกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครรู้ว่าปู่ตายายายแม้แต่ตัวเองเนี่ยเริ่มมีสภาพเป็นการหลงหลืมมากขึ้นแล้วตรงนี้ต้องรีบเนี่ยต้องรีบแล้วหนึ่งแก้ไขด้วยการทั้งยาทั้งอะไรช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องตัดเรื่องข้างนอกออกให้ทันเพราะฉนั้นบ่งบอกว่าเวลาจวนเจียนแล้วใกล้ชิดยิ่งถึงที่สุดแล้ว ถ้าลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องพยายามให้ข้อมูลให้มากเพราะที่สุดจริงๆ่ถ้าท่านได้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องกุศลถ้ามีกำลังพอจะเป็นทิฏฐาธรรมเวทินียกรรมอุดหนุนอุดหนุนรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมในอดีตเนี่ยพอจะให้สามารถที่จะอาจจะอยู่ได้ยืด หรือยืนยาวขึ้นในะสภาพที่ความระลึกได้ทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนั้นจุดนั้นนอกจากอุบายวิธีที่ท่านยานมหาหนาท่านให้ข้อมูลไว้อันนี้เสริมตรงนั้นน้องส่วนในกรณีที่บุคคลไปนับถือสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระราตน้าใจแต่เป็นคนดีอยากให้ขับเน้นที่ตัวอารมณ์แต่ให้ขัดเน้นตัวความดีเพราะความดีนั้นเป็นกุศลให้ท่านนึกถึงความดีตรงนั้น แต่อย่าเป็นนึกถึงลิมิตของความดีที่ท่านเห็นเช่นรูปปั้นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยแต่ให้ท่านนึกถึงการกระทำที่เคยช่วยสังคมอันนั้นเป็นกุศลกรรมกุศลการความดีทั้งหลายที่ท่านเคยให้ทาน <c oughs> เคยประพฤติประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยส่งข้อทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งก็เป็นบุญกิริยาวัตถุบุญเหล่านี้เนี่ยเป็นวิ ย, ยาวัจจะไมทั้งหลายเหล่านี้เป็นกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ที่จะเกื้อหนุนถ้าไปคิดถึงสั ญ, ญลักษณ์รูปปั้นที่เป็นที่ระลึกที่ท่านคิดถึงบ่อยๆตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีแต่ถ้าหาลึกถึงความดีที่ท่านได้กระทําอย่างต่อเนื่องก็เปลี่ยนอารมณ์ท่านว่าความดีที่ท่านทำอะ่ะก็คือกุศลรกรรมนั่นเองคือกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตที่แยกออกไปเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ช่วยสังคมช่วยคนช่วยใครต่างๆเหล่านี้ยเคยสละเคยให้เคยบริจาค เคยช่วยบุตรหลานอะไรต่างๆอันนี้เป็นความดีที่จะท่านทำให้ท่านระลึกได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนจากตัววัตถุให้มาเปลี่ยนตัวกรรมที่ท่านทำระลึกถึงนิมิตของกุศลกรรมที่ท่านทาไว้ไอ้ตัวกุศลกรรมก็จะเกื้อหนุนความคิดทำให้ท่านได้สุขติเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เสียนอย่าไปตัดร้อนว่าเอช่วยไม่ได้ที่สุดช่วยได้หมดเนะเพราะความดีอ่ะท่านไม่จากัดสัญลักษ แต่เพียงว่าสั ญ, ญลักษณ์ที่เขาไปนับถืออาจจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ไม่ใช่พระรัตนาตรายัยแต่ความดีที่ท่านทำก็คือความดีก็พยายามขจัดความหลงในใจท่านออกให้ได้แล้วเอาเอาปัญญาให้ท่านท่านจะได้นิมิตหมายที่ดีอย่าง น, นี้อันนี้ก็ก็ฝากไว้จะได้เอาไปบอกได้ค่ะเป็นคำตอบที่มีคุณค่ามากทีเดียวค่ะ ก็จะได้ปิดตาพ่อกับแม่ของเราด้วยวิธีการอันแยบยลของเราผู้มีโอกาสศึกษาธรรมนะคะหรือเราจะไปสอนลูกไว้ก่อนก็ได้ว่าวันที่แม่จะไปนะปิดตาแม่ด้วยวิธีนี้นะ